หางรัดซอยเปลี่ยวคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิสัมผัสสยองเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แลว้วตอนนั้นขวัญเพิ่งกลับจากการทำบุญทอดกระถิ่นที่จังหวัดโคราช พอเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการวันนั้นเป็นวันศุกร์ซึ่งตรงกับวันพระขวัญก็มีนัดกับเพื่อนจะไปนอนที่บ้านเพื่อนเพื่อทำรายงานกันขวัญก็จะไปนอนกันสองคืนแล้ววันอาทิตย์ค่อยกลับขวัญบอกให้พ่อแวะที่มหาวิทยาลัยก่อนเพราะเป็นทางผ่านกลับบ้านและเพื่อนก็รออยู่ที่มหาวิทยาลัยด้วยสองคน ขวัญขอใช้นามสมุติของเพื่อนสองคนว่า A กับ B A, A เป็นผู้ชายและ B เป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านที่ขวัญจะไปนอนค้างคืนด้วยเพราะขวัญมาถึงที่มหาวิทยาลัยก็มืดแล้วตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่ า, วาพวกเราก็ขับรถออกจากมหาวิทยาลัยโดย A เป็นคนขับรถ B, B นั่งข้างๆคนขับ และขวัญ น, นั่งอยู่ข้างหลังปกติแล้วขวัญจะเป็นคนค่อนข้างมีเซนเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นยิ่งช่วงวันพระก็จะยิ่งเห็นขณะที่พวกเราเดินทางอยู่นั้นก็กลา ว, ว่าจะไปทางลัดกันเพราะถ้าขับไปทางปกติรถก็ติดอีกนานเป็นชั่วโมงถ้าไม่อยากรถติดเราจะต้องใช้ทางลัด ที่สามารถไปออกเส้นสุขุมวิทสายเก่าได้บ้านเพื่อนอยู่ถนนเส้นบางพรีตำลุที่เขาเรียกว่าเส้นคลองขุดที่เลือกไปทางลัดก็เพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางแค่ครึ่งชั่วโมงมันลดระยะเวลาการเดินทางได้เยอะกว่ากันมากแต่พวกเราไม่รู้เลยว่ากำลังจะเจอกับอะไรถ้าย้อนเวลากลับไปได้ พวกเราจะยอมเสียเวลาดีกว่าเอได้ขับเลี้ยวเข้ามาทางลัดที่เรียกว่าคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิก่อนที่เอจะเลี้ยวรถเข้ามาขวัญบอกให้เอจอดรถก่อนเพื่อที่ขวัญจะไปนั่งข้างหน้ากับบีเพราะขวัญกลัวตอนแรกที่เอเลี้ยวรถเข้ามาขวัญก็เห็นมีรถคันอื่นๆเลี้ยวตามกันมาอีกหลายคัน เลยนึกโล่งใจที่ยังน้อยก็ไม่ได้มีรถของพวกเราวิ่งอยู่คันเดียวเพราะในคลองส่งน้ำนี้ถ้าคนที่เคยขับผ่านเข้ามาหรือคนในพื้นที่จะรู้กันดีว่าทางไม่ค่อยดีมีหลุมเยอะและน่ากลัวมากสองข้างทางมีแต่ดงหญ้าและตลอดเส้นทางไม่ค่อยมีบ้านคนแถบยังไม่มีไฟถนนอีกด้วย มันค่อนข้างจะมืดมากเห็นทางได้แค่ไฟจากหน้ารถเท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเมื่อขับเข้ามาในคลองส่งน้ําทีแรกก็มีรถขับตามเข้ามาหลายคันแต่พอข้ามสะพานมาอีกฟังหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทสายเก่าก็กลับไม่มีรถตามมาสักคันตอนนั้นขวัญกับบีก็เลยบอกให้เอขับไม่ต้องเร็วมากเพราะมันมืด รัตกหลุมหรือเหยียบอะไรเข้าพอขับไปได้สักพักเอก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมีรถขับตามมาด้วยดูดิพวกเราก็หันไปดูแล้วก็พูดกันว่าดีเลยอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางแล้วขวัญกะบีก็คอยมองกระจกข้างรถและรอบตลอดเวลาเพราะมันเปรี่ยวมากถึงจะมีรถขับตามมา แต่ก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเป็นโจรหรือคนไม่ดีหรือเปล่าเพราะขับไปได้สักพักหนึ่งพวกเราก็หันไปมองข้างหลังตลอดว่ารถคันนั้นยังอยู่หรือเปล่าเพราะหันไปมองประมาณรอบที่ห้าก็ปรากฏว่ารถคันนั้นหายไปแล้วเลยสงสัยว่ารถคันนั้นหายไปไหนหายไปตอนไหนทั้งทั้งที่ตอนขับมาก็ไม่เห็นจะมีซอย ที่รถจะสามารถเลี้ยวไปทางอื่นได้เลยแต่ขวัญก็พูดปลอบใจกันว่าคงไม่มีอะไรหรอกรถคันนั้นอาจจะเลี้ยวเข้าซอยไปจริงๆก็ได้เราอาจจะแค่ไม่เห็นจากนั้นพวกเราก็ขับกันมาเรื่อยๆระหว่างที่ขับมานั้นก็จะเห็นข้างทางตลอดว่ามีคนแก่เดินสวนรถไปเห็นผู้ชายยืนอยู่กลางถนนหรือแม้แต่ มีคนวิ่งตัดหน้ารถแต่เพื่อนไม่เห็นขวัญก็ได้ตะซุกหน้ากับบีเพราะกลัวมากลาวรถก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงประมาณคลองห้าที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในคลองส่งน้ำพวกเราจะต้องกลับรถเพื่อเลี้ยวเข้าซอยที่จะไปเส้นคลองขุดในขณะที่พวกเราเลี้ยวขึ้นสะพานกลับรถ ขวัญก็เห็นแกงวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งยืนรวมกลุ่มกันอยู่แต่ที่แปลกก็คือขวัญเห็นผู้หญิงในชุดทํางานใส่เสื้อเชิดกางเกงยีนยืนอยู่บนราวสะพานในลักษณะก้มตัวลง90องศามองกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ายืนบนราวสะพานแบบนั้นไม่น่าที่จะก้มตัวลงมาได้ขนาดนั้น ท, งทังที่ไม่มีอะไรจับเลยขวัญได้แต่นั่งเงียบไม่พูดอะไรเพราะกลัวเพราะผ่านตรงนั้นไปได้พวกเราก็ต้องเลี้ยวเข้าซอยทางหลวงชนบทที่จะไปออกเส้นคลองขุดเส้นทางดีกว่าคลองส่งน้ํานิดหน่อยไม่มีหลุมแต่คดเคี้ยวและมีโค้งเยอะรถของพวกเราวิ่งไปเรื่อยๆความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง จูจ่ๆก็มีรถตู้ขับมาจี้รถของพวกเราเหมือนเขาจะรีบขวัญกับบีก็เลยบอกให้เอเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อให้รถตู้แซงไปก่อนเพราะรถของพวกเราขับช้าแล้วรถตู้ก็แซงขึ้นไปแต่มันไม่ปกติตรงที่ว่าขวัญเห็นคนนั่งห้อยขาอยู่ที่หลังรถตู้ซึ่งมีแต่ท่อนล่างไม่มีท่อนบนมองไม่ออกว่า เป็นหญิงหรือชายตอนนั้นขวัญช็อกมากถามเพื่อนว่าเห็นอะไรไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่เห็นอะไรนี่มีอะไรขวัญก็ไม่ตอบได้แต่นั่งเงียบเพราะรู้แล้วว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆเมื่อเพื่อนๆ เ, เห็นท่าทีที่แปลกไปของขวัญพวกเขาก็พอจะเดาออกเลยว่าขวัญเห็นอะไร ก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อรถของพวกเราก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆตามโคม้งอยู่ๆเอก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาเฮ้ย <i> ร้องแบบตกใจมากพร้อมกับรถที่ส่ายไปส่ายมาเพราะเอหักพวงมาลัยเหมือนหลบอะไรสักอย่างเอเหยียบเบรกแล้วสักพักก็พูดว่ามิกิมีมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้ารถอ่ะขัญกะ บ, บีก็เลยบอกว่า บ้าเหรอไม่เห็นมีรถสักคันพอได้ยินดังนั้นเอก็เริ่มหน้าซีดทันทีขวัญจึงบอกว่าขับต่อไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเอจึงขับต่อไปด้วยความกล้ า, ก ล, ากลัวกลัวพอมาถึงสะพานที่ต้องข้ามคลองตรงจุดนั้นจะเป็นสีแยกทั้งซ้ายและขวามีวัดอยู่ไกลๆไม่เกิน300ส0มรอเมตรสะพานนี้ ในตอนนั้นค่อนข้างจะแคบต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถมากจูๆ่ๆบีก็พูดขึ้นมาว่าระวังนะมีรถสวนมาขวัญกับเอกก็เลยบอกว่ามีที่ไหนไม่เห็นมีเลยบี B. ก็เลยได้แต่ทำหน้างงๆในขณะเดียวกันขวัญก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่บนราวสะพาน และมองมาที่รถของพวกเราที่ขับผ่านไปพวกเราขับต่อมาเรื่อยๆทุกคนในรถก็ต่างกลัวกับสิ่งที่เห็นได้แต่นั่งมองทางว่าเมื่อไรจะถึงทางออกปากซอยสักทีทั้ทงๆ ท, ที่ระยะทางไม่ได้ไกลมากแต่กลับขับไปไม่ถึงทางออกสักทีพระพวกเราดูนาฬิกามันก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วพวกเราแปลกใจมากว่า ทำไมใช้เวลานา น, านขนาดนี้ทั้งทางที่ปกติแล้วจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพวกเราได้แต่ภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รถของเราขับกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยสักพักไม่ถึงสิบนาทีพวกเราก็เห็นแสงไฟจากถนนที่เป็นทางองอกจากซอยพวกเราดีใจกันมากแล้วจู่จ บีก็พูดขึ้นมาว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเราก็เงียบฟังกันมันเป็นเสียงเหมือนกับล้อรถเหยียบอะไรสักอย่างเอจึงจอดรถข้างทางแล้วพวกเราก็ลงไปดูกันปรากฏว่าเป็นตะปูตะปูขนาดใหญ่มากตํมล้อรถอยู่มันตํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพวกเราไม่รู้กันไม่รู้เลย พวกเราตัดสินใจเข้าบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้คอยเอารถออกมาปะยางกันพอไปถึงบ้านพวกเราก็เล่าแชร์ทุกอย่างที่พวกเราเห็นให้กันและกันฟังต่างคนก็ต่างเห็นไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือถ้าเกิดตะปูมันหลุดในซอยหรือในคลองส่งน้ำก็ไม่รู้เลยว่าพวกเราจะเป็นยังไง หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้พวกเราก็ไม่คิดที่จะเดินทางในเส้นทางลัดหรือที่เปลี่ยวๆในตอนกลางคืนอีกเลย สมัมภัสยอง